มิรินท่ปัญหาวรที่ห้าวรที่ห้าปัญหาที่หนึ่งถามเรื่องความมีและความไม่มีแห่งพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิรินตัดถามว่าข้าแต่พระนาคเสณพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระเทระตอบว่าไม่ได้เห็นขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นหรือขอถวายพระพรอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เห็นโอหาณทีคือสะดือทะเลหรือไม่ไม่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้น พระราชบิดาของพระ อ, องค์ได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นสดือทะเลก็ไม่มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถึงโยมและพระราชบิดาของโยมไม่ได้เห็นสดือทะเลก็จริงแระแต่ทว่าสดือทะเลมีอยู่เป็นแน่ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิตรถึงอัตมาและอาจารย์ของอัตมาไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็จริง แต่พระพุทธเจ้ามีอยู่แน่ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่สองถามเรื่องความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าหรือขอถวายพระพรจริง พระผู้เป็นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เห็นขอถวายพระพรมหาปิฏจะเข้าพระไตยความข้อนี้อย่างไรคือพวกที่ไม่ได้เห็นมหาสมุทรรู้หรือไม่ว่ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีน้ําลึกประมาณไม่ได้อย่างถึงพื้นได้ยาก เป็นที่ไหลไปรวมอยู่แห่งแม่น้ําใหญ่ทั้งห้าคือคงคายมนาอจิระวดีสารภูมหิความพ่องหรือความเต็มแห่งมหาสมุทรนั้นไม่ปรากฏแม่น้ําใหญ่ทั้งห้าก็ไหลไปสู่มหาสมุทรเนือ ง, องรู้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษคือ อัตมาภาพได้เห็นภาษาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้สำเร็จนิพพานมีอยู่จึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่สถามเรื่องการรู้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสน พระผู้เป็นเจ้าอาจรู้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าอาจรู้ขอถวายพระพรอาจรู้ได้อย่างไรขอถวายพระพรเมื่อก่อนมีอาจา ร, รย์เลของค์หนึ่งชื่อว่าพัตติสัตเถระมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่หลายปีแต่ถึงมรณภาพไปแล้ว อาจารย์เลของค์นั้นทำไมชื่อจึงยังปรากฏอยู่ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เลของค์นั้นยังปรากฏอยู่เป็นด้วยเลขที่ท่านบอกไว้ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเป็นของที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ สมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่สีถามเรื่องการเห็นธรรมข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นธรรมะแล้วหรือขอถวายพระพรธรรมะอันพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนสาวกอันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว ภาษา v o ควรปฏิบัติตามจนตลอดชีวิตแก่ถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าดีกามิรินเพราะเหตุไรพระนาก เ, เสศน จ, จึงไม่ตอบว่าอาตมภาพได้เห็นธรรมะแล้วแก่ว่าเพราะเหตุว่าพระเจ้ามิรินรู้แน่แล้วว่าพระเถระได้เห็นธรรมะแล้วแต่อยากจะฟังคําตอบอันวิจิตจึงตัดถามเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ พระเถระทราบพระอัจยาศัยของพระเจ้ามิลินแล้วจึงได้ตอบอย่างนั้นปัญหาที่หาถามถึงความไม่ก้าวย่างไปแห่งผู้จะเกิดข้าแต่พระน้าคเสณผู้ประเสริฐผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้นไม่ได้ก้าวย่างไปด้วยแต่ถือกำเนิดได้ด้วยอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิษ ถ้าอย่างนั้นขอนิมนอุปามาขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้หนึ่งเอาปะทีมาต่อปะทีปะทีพจะก้าวไปจากปะทีพเก่าหรือไม่ไม่ก้าวไปพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรขอนิมนอุปามาอีกขอถวายพระพรมหาบพิตรคงจำได้ว่า ในเวลาที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์มีพระชนษาได้สิบได้รับวิชาเลขและวิชาการต่างๆในสํานักอาจารย์หรือได้รับพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรวิชาเลขและศิลปะต่างๆนั้นก้าวย่างไปจากอาจารย์หรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมาบพิษ ผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้นไม่ได้ก้าวย่างไปเลยแต่ถือกำเนิดได้ถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่หถามถึงผู้สำเร็จเวทข่าแต่พระหน้าขเสนบุคคลพูดถึงเวทมีอยู่หรือไม่ขอถวายพระพรเมื่อว่าตามปริมาตรแล้วไม่มี ถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่7ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพข้าแต่พระนาคเสนสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก้าวไปจากกายนี้สู่กายอื่นมีอยู่หรือขอถวายพระพรไม่มีเลยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก้าวจากกายนี้ไปสู่กายอื่นไม่มีบุคคลก็จะพ้นจากบาปกรรมทั้งหลายมิใช่หรือขอถวายพระพรถ้าเขาไม่เกิดอีกก็จะพ้นจากบาปกรรมทั้งหลายแต่เพราะเขายังเกิดอยู่เขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมทั้งหลายขอนิมนอุปมาด้วยขอถวายพระพร เปรียบเช่นเดียวกับบุรุษคนหนึ่งขโมยมะม่วงที่ผู้อื่นปลูกไว้เขาควรจะต้องได้รับโทษหรือไม่ควรได้รับโทษพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมะม่วงที่บุรุษนั้นขโมยไปไม่ใช่มะม่วงลูกที่บุรุษนั้นปลูกไว้เหตุใดผู้ขโมยจึงควรได้รับโทษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า มะม่วงเหล่านั้นอาศัยมะม่วงลูกที่บุรุษนั้นปลูกไว้จึงเกิดเป็นลำต้นขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ขโมยจึงควรได้รับโทษข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาภพิษคือบุคคลย่อมทากรรมดีหรือชั่วไว้ด้วยนามารูปนี้แล้วนามารูปอื่นก็เกิดขึ้นด้วยกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรม แก้ดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่แปดถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรมข้าแต่พระนาเคเสนกรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลทําด้วยนามรูปนี้ไปอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรติดตามผู้ทําไปเหมือนกับเงาตามตัวข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอาจชี้กรรมเหล่านั้นได้หรือไม่ว่า กรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรไม่อาจชี้ได้ขอนิมน์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่มีผลมหาบพิษอาจชี้ได้หรือไม่ว่าผลอยู่ที่ไหนปัญหาที่9ถามถึงความรู้สึกของผู้จะเกิดอีก ข้าแต่พระนาคเสนผู้ใดจะเกิดผู้นั้นรู้หรือว่าเราจะเกิดขอถวายพระพรรู้ขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างชาวนาหว่านพืชลงที่แผ่นดินแล้วเมื่อฝนตกดีเขารู้หรือว่าพืชจะงอกงามขึ้นรู้พระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิธคือผู้ใดจะเกิดผู้นั้นก็รู้ว่าเราจะเกิดชอบแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่สิบถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานข้าแต่พระนาคเสนพระพุทธเจ้ามีจริงหรือขอถวายพระพรมีจริง พระผู้เป็นเจ้าอาจชี้ได้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยการดับขันแล้วไม่อาจชี้ได้ว่าอยู่ที่ไหนขอนิมนุปปามาด้วยขอถวายพระพรเปลวไฟที่ดับไปแล้วมหาบาพิษอาจชี้ได้หรือไม่ว่าเปลวไฟนั้นไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเปลวไฟนั้นถึงซึ่งความไม่มีบัญญัติแล้วข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีใครอาจชี้ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนอาจชี้ได้เพียงพระธรมกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วจบ วัที่หอธิบายคําว่าพระธรรมกายในหนังสือทิพยพระอำนาจอดีตพระอริยะคุณาทานเสง์ปุตโสได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่ขอนำมาด้วยย่อว่าในประกรของฝ่ายเทรวาทท่านโบราณอาจารย์แบ่งภักกายของพระพุทธเจ้าเป็นสามภาคดังนี้คือหนึ่งพระรูป ก, กาย เป็นพรกายซึ่งกำเนิดจากพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาประกอบด้วยธาตุทั้งส 2. พระนามกายได้แก่กายชั้นในนามกายเป็นของมีทั่วไปแม้แต่สามัญมนุษย์แต่ดีเร็วกว่ากันด้วยอานาจกุศลที่ตนทำไว้ก่อนส่วนพระนามกายของพระพุทธเจ้าท่านดีวิเศษกว่าของสามัญมนุษย์ โดยอำนาจพระบุญญาบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลาหลายอสงไขยกับ 3. าพรพรทธมกายได้แก่พระ ก, กายอันบริสุทธิ์ไม่สาธารณะทั่วไปแก่เทวาและมนุษย์ไม่ถึงจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดพองพัะธรรมกายนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่จริงแท้เป็นพระ ก, กายที่พ้นเกิดแก่เจ็บตาย เป็นพระกายที่เที่ยงแท้ถาวรไม่สูญสลายแต่ท่านไม่ได้บอกให้แจ้งชัดว่าพระธรรมกายนี้มีรูปพันธสันฐานเช่นไรหรือไม่อันหนึ่งความเชื่อว่าพระอรหรนันติพานแล้วยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพระอรหันต์แท้ไม่สลายไปตามกายคือความเป็นพระอรหันต์ไม่สูญตัวอย่างเช่น พยามะกะเมื่อยังไม่บรรลุอรหัตผลได้แสดงความเห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ได้ถูกภาษารีบุตรสอบสวนเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงเห็นตามความจริงว่าสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งย่อมเป็นไปตามปัจจัยคือสลายไปส่วนพระอรหันต์ไม่ใช่สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่สลายไปแปลว่าไม่ตาย ความเป็นพระอรหันต์นี้ท่านก็จัดเป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอัญญีพระผู้มีพระภาคคงหมายเอาอินทรีย์นี้เองบัญญัติเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นสภาพที่คล้ายคึงวิสุทธาภรมในสุทธาวาชชั้นสูงวงเล็บเปิดพมอนาคามีชั้นที่ส2องถึง16เป็นแต่บริสุทธยิ่งกว่าเท่านั้นวงเล็บปิด อินทรีย์ของพระอาหารหันต์ปณีสุ ข, ขุมแม้แต่ตาทิพย์ของเทวดาสามัญก็มองไม่เห็นมนุษย์สามัญซึ่งมีตาหยาบๆจะเห็นได้อย่างไรอินทรีย์ของพระอาหารหันต์นั้นแหละเรียกว่าอินทรีย์แก้วคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของท่านเป็นแก้วคือใสบริสุทธิด์ดุจแก้วมณีโชต ผู้บรรลุถึงภูมิแก้วแล้วย่อมสามารถพบเห็นพระแก้วคือพระ อ, อหาหันตรที่นิพพานแล้วได้การที่ยกเอาบทความนี้มาให้อ่านกันก็เพราะอาจจะมีนักปราชญ์บางท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารินิพพานแล้วเหมือนกับเปลวไฟที่ดับไปฉะนั้นก็เลยเหมาเอาว่าพระนิพพานสูญไปเลยตามที่พระนาคเกษ็ท่านอุปมาเช่นนั้น ท่านคงหมายถึงดับไปเฉพาะพรูปกายเท่านั้นแต่จิตใจอันใสบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าพระธรรมกายมิได้ดับสูญไปด้วยแต่อย่างใดอดีตพระอริยคุณาทานซึ่งเป็นสิ์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงให้ทัศนะเป็นข้อสรุปไว้ตั้งแต่พศ2493นับเป็นเวลา40ปีเศษแล้วว่า ความรู้เรื่องนี้เป็นความรู้ลึกลับในพระธรรมวิเนยผู้สนใจพึงศึกษาค้นคว้าต่อไปถ้ายังรู้ไม่ถึงอย่าพึงค้านอย่าพึงโมทนาเป็นแต่จดจําเอาไว้เมื่อใดตนเองได้ศึกษาค้นคว้าแล้วได้ความรู้ได้เหตุผลที่ถูกต้องดีกว่าเมื่อนั้นจึงค้าน ถ้าได้เหตุผลลงกันจึงอนุโมทนาถ้ารู้ไม่ถึงแล้วด่วนวิภาควิจารณติเตียนผู้พูดเรื่องเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อบอดตาบอดยานตนเองยิ่งจะซ้ำร้ายใหญ่ดังนี้